อย่างที่ผลออกมาอย่างที่การกระทาเขาจึงเขียนเป็นตําราออกมาให้พวกเราได้ศึกษาถ้า ใ, ใครนำไปปฏิบัติก็ได้ผลเพื่ออะเพราะเขาทดลองทดสอบมาแล้วปฏิบัติตามตําราแบบนี้นี่ก็เหมือนกันไม่ว่าวิศว ะ, ขะแขนงไหนก็มีมันต้องปฏิบัติซะก่อนรู้ซะก่อนแล้วยังค่อยเขียนเป็นตํารา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 หลวงปู่มั่นท่านยังเสริมทำทำคำําสำทับคําบริกรรมเข้าไปอีกก็เป็นที่ยอมรับของสิทธิ์ยาวนันสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นเออใช่ถ้านเรากําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยมันเผลอได้ง่ายเราสำทับพุทโทเข้าไปอีกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทในหลวงพ่อเขาจังบอกอีกว่าเอให้พวกเรานับดูซัก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 ขอให้ฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะเนี่ยนะคือการหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิทยาศ า, ศาสตร์ไกลๆนะหลวงพ่อว่านนะท่านบอพวกเรานํามาประพุทธปฏิบัติประปรุงกายวาจาใจของเราอยูนะ่สถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขสุขกายสุขใจให้การส่แสวงหาทรัพย์ก็ให้ส่แสวงหาแต่อย่าไปทุ่มเทจนมีแต่เรื่องทรัพย์สมบัติเท่านั้นละ่ะ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 พอสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วก็่อคอมพิวเตอร์มันก็ทํางานพอทํางานขึ้นมาแล้วก็รู้ได้ว่ามันโชว์ตัวไหนเอไฟมันโชว์ตัวไหนโชว์ล้อหน้าโชว์ล้อหน้าและโชว์ล้อหลังซ้ายขวาตาหลีตาซ้ายตาขวาเบรกเอเป็นยังไงเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาที่จอนี่ก็เหมือนกันะออแต่เอตัวของเราไม่ใช่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะ